ก็หนึร้อี่สัมมาทิฏฐิสูตรหน้า531พระพิสูจน์เหล่านั้นได้ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของท่านพระสารีบุตรแล้วก็ได้กล่าวว่าใต้เท้าครับดังนี้กรับเรียนถามปัญหาที่สูงยิ่งขึ้นไปกับท่านพระสารีบุตรว่าใต้เท้าครับยังมีอีกหรือไม่ปริยายแม้อย่างอื่นที่จะให้อริยสาวกมีความเห็นถูกต้อง มีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนมาสู่พระศัรรมนี้ภาษารีบุตรก็ตอบว่ายังมีอยู่คุณแล้วได้กล่าวว่าด้วยเหตุที่อริยสาวกรู้ชัดเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความดับเวทนาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนาเพียงเท่านี้แลคุณ อริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัทธรรมนี้ถามว่าอะไรคือเวทนาอะไรคือเหตุเกิดแห่งเวทนาอะไรคือความดับเวทนาอะไรคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนาเวทนานั้นมี6กเนี่ยนะเรียกว่าเวทนามี6กลุ่มด้วยกันคือเวทนาที่เกิดจาก จากขูดสัมผัสคือเวทนาที่เกิดจากจากขูดสัมผัสเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเวทนาที่เกิดจากคานาสัมผัสเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเวทนาที่เกิดจากกายะสัมผัสเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสแปลว่าเวทนาที่เกิดจากตาหูจมูกเลนกายใจความรู้สึกที่เกิดจากทางตาก็อย่างหนึ่งความรู้สึกที่มาจากทางหูก็อย่างหนึ่งความรู้สึกที่มาจากทางจมูกก็อย่างหนึ่งทางลิ้นทางกายทางใจก็อย่างหนึ่ง นความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยนะความรู้สึกที่เกิดจากทางตาเป็นสุขเป็นทุกข์และอุเบกขาสุขทุกข์อุเบกขาบางอย่างเกิดจากทวารหูบางอย่างเกิดจากทวารจมูกบางอย่างเกิดจากทวารลิ้นบางอย่างเกิดจากทวารกายบางอย่างเกิดจากทวารใจเวทนาจะเรียก6ก็ได้เรียกว่าตามทวารจะเรียก18ก็ได้เวทนาทวารละสมเนี่ยนะทวารละสม เวทนาเกิดเพราะผัสสะเกิดคือเพราะผัสสะเกิดนี่แหละจึงเกิดเวทนาเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี้เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิอวุโสเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดเวทนา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 มีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัทธรรมนีนะ้เวทนาก็รายละเอียดโดยพิสดารก็คงในเวทนานุปัสสนาเนี่ยนะตรงนี้ในอัตกราหน้า596อธิบายว่าเวทนานี้ทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลและอัพยากตะเนี่ยนะ คือเวทนาที่เกิดจากจากักรคูทวารทั้งหมดเรียกว่าจักรคู่สัมผัสชาเวทนาตั้งแต่เวทนาที่เกิดจากเกิดร่วมกับจักรคูวิญญาณภาษาเวทเวทนาที่เกิดร่วมกับจกักรคูวิญญาณสัมปติชนะสันติรนะนาโวธัพนาชวนาตถาลัมมณะเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลหรืออัพยากตะก็ตามก็เรียกว่าจักรคู่สัมผัสชาเวทนาหมด เพรเรียกตามทวารเหมือนเรียกชื่อตามแม่เช่นพระสารีบุตรลูกของนางสารีปุณณมันตานีบุตรก็คือลูกของนางมันตานีบอกเพราะอะไรเพราะในคัมภีร์วิพังกล่าวว่าเวทนาที่เกิดจากกุศลอขออภัยเวทนาที่เกิดจากจักขู่สัมผัสเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยากตะก็มีทันคําว่าเวทนาที่เกิดจากจักขู่สัมผัสนั้นเวทนาใน เวทนาที่เกิดจากจากักรคูทวารไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลและอัพยากตะไม่ใช่เฉพาะใกล้ๆเท่านั้นนะนะเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขคู่สัมผัสเป็นเหตุชื่อว่าจักรคู่สัมผัสชาวเวทนาแต่ว่าเวทนาพึงทราบโดยเวทนาที่สัมปยุต ด, ด้วยธรรมเหล่านี้คื อ, อเวทนาที่เป็นจกักรคูโดยวิบาก ค, คือจักรคู่วิญญาณสองมโนธาตุคือ สัมปติชนะสองมโนวิญญาณธาบคือสัมติรณะสอันนี้ถ้าพูดแบบชาติวิบากนะพูดแบบชาติวิบากก็เป็นอย่างนี้จักูวิญญาณสองสัมสัมปติชนะสองสันติรณะสนะโสตะทะวานก็เหมือนกันถามว่าเวทนาที่เกิดในทวานทั้ง6กเพราะอะไรเกิดเวทนาจึงเกิดบอกว่าเพราะภาษาเกิดภาษาธโมทยาเนี่ยหรือเพราะภาษะเป็นเหตุเกิด วินิจฉัยว่าในทวารทั้งห้าเวทนาอาศัยวัตถุทั้งห้ามีการเกิดขึ้นเพราะจากรคู่สัมผัสที่เกิดร่วมกันเป็นต้นมหมายความว่าเกิดโดยเช่นถ้าเวทนาที่เกิดร่วม ก, กับจักรคู่วิญญาณเป็นสัมปายุตธรปัจจัยเวทนาที่เกิดร่วมกับสัมปติชนะเป็นอนันตระปัจจัยเวทนาที่เกิดร่วมกับสันตีระณนะเป็นต้นเป็นอุปนิสยะปัจจัย มันเวทนาที่เกิดในตถาลัมมณะในขณะมโนทวารและเวทนาในปฏิสนธิขณะผวังและจุติที่เป็นไปในทวาร6ก็เพราะเกิดขึ้นแห่งมโนพัสสะที่เกิดร่วมกันก็คือโดยสหาชาตปัจจัยนั่นเองเวทนาขณะตถาลัมมณะเกิดก็สัมปยุตตปัใจจัยในมโนทวานนะในมโนทวารหรือว่าเวทนาในปฏิสนธิขณะผวังและจุติ พวกนี้ก็เรียกว่าเป็นสหาชาตปัจจัยเกิดร่วมกันก็คือสหาชาตปัจจัยนั่นเองแปลว่าความรู้สึกทุกความรู้สึกเกิดจากผัสสะเป็นปัจจัยนะดีใจเสียใจเฉยๆที่กําลังเป็นไปอยู่นี่ถ้าไม่มีผัสสะเป็นบอกเกิดเป็นแดนเกิดความรู้สึกเหล่านี้ไม่มีที่มีความรู้สึกก็มาเกิดจากผัสสะเช่ชนดีใจเสียใจเฉยๆเนี่ยนะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเดี๋ยวตาก็เห็นเดี๋ยวหูก็ฟังเดี๋ยวจมูกก็กลิ่นนี่เอาอะไรเป็นเครื่องวัด อะไเป็นเครื่องวัดดีก็ดูว่าทวารไหนหนักกว่าเพื่อนเอาทวารนั้นทวารไหนเป็นประธานเอาทวารนั้นจริงอยู่ในบางกิจกรรมเนี่ยได้ตั้งหลายทวารเช่นขณะทานข้าวเนี่ยทวานตาก็มีเห็นสีทวานหูก็มีได้ยินเสียงคุยกันไปทวานจมูกก็มีได้กลิ่นทวานลิ้นก็กําลังรับรสทวานกายก็รับเช่นอาหารเย็นอาหารร้อนเป็นต้นเนี่ยได้ตั้งหลายอย่างแล้วเอาทวานไหนเป็นหลักดีใจเสียใจ ก็ต้องดูว่าสาระของการทานอาหารเนี่ยเอาทมุ่งทวารไหนเป็นหลักเทันความรู้สึกก็อนุวัตตามทวารที่เป็นหัวหน้าในบางกิจกรรมทวารตาเป็นหลักอาจจะมีอย่างอื่นกินไปเคี้ยวไปดูไปเคยไหมแต่จริงๆต้องการจะดูแต่อะไรนะเอาทวารเสริมเช่นกินไปกินไปฟังไปอะไรเป็นตนน้นบางทีก็มุ่งฟังเป็นหลักแต่ก็ดูไปชิมไปดมไปอะไรเป็นตน้นก็อาจจะหลายๆทวารแต่ว่าทวารหลักของขณะนนั้นั้นเป็น เป็นหลักเช่ elyn, ขนขณะที่เราฟังธรรมนี่ทวารไหนเป็นหลักอาจจะอมลูกอมอยู่แต่ก็ไม่ได้เอาทวารอมเป็นหลักใช่ไหมอาจจะดอูอย่างอื่นอยู่ดูภาพดูโน่นดูนี่แต่ก็ไม่ได้ถือเอาทวารเห็นเป็นหลักเอาทวารหูเป็นหลักเนี่ยนะกิจกรรมฟังธรรมถือทวารหูเป็นหลักอาจจะมีปวดมีเมื่อยมีอย่างอื่นแต่ก็ไม่ถือเอาทวารเหล่านั้นเป็นหลักแต่อาจจะสะดุดบางครั้งนะใช่ไหมแต่ถ้าทวารกิจกรรมทานอาหารก็เอาทวารลิ้นเป็นหลักอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาประกอบแต่ก็ ถือทวารลิ้นเป็นหลักเนี่ยนะอย่างการแต่งตัวอาจจะมีเรื่องอื่นประกอบแต่ก็ถือทวารกายครับกระทบเป็นทวารหลักก็สุดแท้แต่ทวารนั้นนั้นความรู้สึกก็ว่าไปตามทวารหลักๆนะทวารหลักๆนะ ว, ว่าเป็นไปตามไหนภาษะในทวารทั้ง6เหล่านี้แหละเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพรันความรู้สึกทั้งหลายเกิดจากภาษะเหมือนเสียงกลองที่มันดังขึ้นถ้าไม่อาศัยกลองกับไม้ตีกลองเนี่ยมันจะดังไหม ไม่ดังฉันใดถ้าไม่มีผัสสะเวทนาก็ไม่เกิดฉันนั้นพันผัสสะเกิดเพราะเวทนาเกิดเวทนาเกิดเพราะผัสสะเกิดส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเวทนาอย่างพิสดารเดี๋ยวค่อยเรียนในสติปัฏฐานกันล้กันสติปัฏฐานจะอธิบายเวทนาให้ให้มากขึ้นกว่านี้แต่ตรงนี้ให้รู้ว่าเวทนาก็มีการประชุมอย่างลงสู่อริยสัจเหมือนกันว่า เวทนาเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธ้น า, นรธาคามินีปฏิปทาถ้าความรู้อันนี้เป็นความรู้ที่ถูกต้องรู้จริงๆก็เป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวในพระศาสนานี้ได้ถ้ารู้จริงนะเวทนาเหตุเกิดเวทนาความดับเวทนาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนาถ้ารู้จริงก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้